มีอาจารย์คนหนึ่งเล่าว่าเคยไปบรรยายที่หมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้กับนักศึกษาปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโทนี่ก็ไม่ใช่มีแต่นุ่มๆสาวๆนะมีข้าราชการกรมกองต่างๆมาเรียนด้วยเพื่ อ, อทำปริญญา บรรยายไปก็มีช่วงหนึ่งพูดถึงเรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยหลักธรรมที่สำคัญอันหนึ่งของพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มีความสำคัญมากนะก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นี่คือความจริงสามประการ พูดจบก็ถามนักศึกษาว่าตายักเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนักศึกษาก็เงียบนะอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นฉเฉลยให้ข้อหนึ่งก่อนข้อแรกคืออนิจจังต่อไปคืออะไรนักศึกษาก็เงียบอาจารย์ก็เลยบอกว่า ก็ทุกขังไงนะอันนี้จังทุกขังแล้วอะไรข้อที่สามขอนิย a n า, าตตอบพร้อมกันเลยนะพลังอาจารย์นี่งงเลยนะจริงๆอันนี้จังทุกขังก็ต้องอนัตตานะแต่ว่านักศึกษาเนี่ยไปเข้าใจไปจำได้ว่าอายุวันโนสุขังพลังนะ นะอาจารย์นี่ก็อึ้งเลยนะเพราะว่าแสดงว่านักศึกษานี้ไม่รู้เรื่องเลยนะซึ่งที่จริงก็คงไม่ใช่เป็นเฉพาะกับนักศึกษาปริญญาโทนะปริญญาตรีหรือว่าเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็ไม่รู้แล้วล่ะนะว่าไตาลักเนี่ยมันคืออะไรนะหมายความว่ายังไงศี่ห้านี่ก็บางคนก็จําไม่ได้เลยนะอันนี้ก็อก็ได้เห็นใจนะเพราะศี่ห้ามันห้าข้อนะ แต่ใจเรานี่แค่สามข้อยังจำกันไม่ได้แต่คำตอบของนักศึกษาเนี่ยก็ยังชี้เห็นนว่าคนไทยเราคุ้นกับคำอวยพรมากกว่าอายุวันโนสุ ข, ขังพลังนะแต่ว่าบางทีก็เข้าใจคลายเคลื่อนพออาจารย์ถามว่าทุก ข, ขังแกก็ตอบว่าพลังเลย น, นักศึกษาถ้าทุก ข, ขังแล้วมันก็ต้องอนัตตาน ะ, ะถ้าสุ ข, ขังเนี่ยจึงค่อยพลัง อันนี้คนไทยก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคือว่าคุ้นเคยกับอายุวันโนสุ ข, ขังพลังหรืออายุวันณสุขพระพละมากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยอชอบขอพรอยากได้พรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพรสี่ประการเนี่ยมันสู้ความจริงสามประการไม่ได้นะ อันนี้จังทุกขังอนัตตาหรือว่าลักษณะของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนี่คือสรรพสิ่งนะหรือเรียกว่าความจริงของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ก็ได้นะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะรู้อยากจะฟังเรื่องความจริงโดยเพราะที่มันไม่ถูกอกถูกใจนะ อันนี้จังทุกขานาตานี่มันก็เป็นความจริงที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนเท่าไหร่มันทวนกระแสกิเลส ข, ของผู้คนเพราะคนเนี่ยก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเที่ยงเช่นให้ร่างกายนี้เที่ยงข้าวของทรัพย์สมบัติเที่ยงทุกคนก็อยากจะมีความสุขแล้วก็ธรรมชาติคนเรามก็มีความยึดติดในอัตตานะอันนี้จังทุกขาราตานี่มันมันทวนกระแสกิเลสมันสวนทางกับ ความรู้ความเข้าใจของผู้คนตั้งแต่เกิดจนโตก็นะก็ไปคิดปักใจว่าทุกอย่างมันเที่ยงเป็นสุขนะมันเป็นตัวเป็นตนความจริงไม่อยากฟังนะแต่ว่าอยากได้อยากฟังพรมากกว่านะพรสี่ประการแต่ที่จริงถ้าดูดีๆนะกดไตรางเนี่ยนะประเสริฐกว่านะ ประเสริฐกว่าพรสีประการเพราะว่าไอ้พอรสีประการเนี่ยอยากได้แต่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเราทําบุญเนี่ยเราก็ขอพรนะพระก็ให้พร อ, อายุวันน่าสุขาภะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยยืนจริงไหมจะมีสุขภาพมีผิวพรรณผ่องใสมีพลังจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ส่วนกดไตรลักษณ์เนี่ย มันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลานนั่งอยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่อย่างเงี้ยสักพักเนี่ยนะมันก็เริ่มเมื่อยแล้วนะอันเนี้ยแสดงว่าทุกขังเนี่ยปรากฏละแสดงให้เราเห็นละเสร็จแล้วเราก็ต้องขยับนะพอเราเมื่อยมากๆเราขยับเปลี่ยนท่าไม่สามารถนั่งในท่าใดท่าหนึ่งได้นี่ก็อ น, นิจจังนะตลอดเวลาเนี่ยมันแสดง อนิจจังทุกของอังที่ตายเราเห็นนะที่ถ้าเราเห็นแล้วนะมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยคลายทุกข์ได้นะคนเราเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเอออนิจจาเนะีเราลึกถึงอนิจจังไว้บ้างเวลาสูญเสียพัดพรากจากข้าวของสิ่งของคนรักอ่ะก็นึกถึงอนิจจังไว้บ้างคนไทยเรานึกอยู่เป็นประจำนะจนกระทั่งคำว่าอนิจจาเนี่ยมันเคยเป็นคําที่ติดปากผู้คน สมัยก่อนเนี่ยนะอนิจจานี่เป็นคำที่ใครๆก็พูดกันนะอุทานนะเวล า, าได้ข่าวว่าคนประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีคนล้มตายก็อนิจจารวมทั้งเวลามันเกิดขึ้นกับตัวเองก็อนิจจ า, าก็คือทำให้ทำใจได้ใจรักเนี่ยมันทำให้เรายาลรความจริงที่ปกติ ไม่คอยอยากจะให้มันเกิดเท่าไหร่นะความแก่ความเจ็บความชาราความป่วยความพัดพรา่าความสูญเสียพวกนี้ไม่มีขยายเกิดแต่พอเกิดแล้วเนี่ยนะถ้าเรานึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องน้อยคําว่าอนิจจานี่นึกเอาไว้นะเออมันก็ปล่อยวางได้ทําใจไดนะ้ส่วนอายุวันสุ ข, ขังพลังเนี่ยถ้าเราไปยึดติด ถ, ถือมัมากๆนี่มันก็ทุกนะมันทำให้ทุก นะเพราะว่าคนที่ป่วยเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีวันณะสุขา พ, พราสักทีมาทําบุญก็หลายวัดแล้วสุขภาพก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเรีย่ยวแรงกำลังวังเชา้ายังไม่ดีขึ้นเลยไอความอยากได้อายุวรนนะัสุขาภราวันนี้ทำไม่ทุกข์นะเพราะว่าได้ทําบุญเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้มานะทําบุญเท่าไหร่ก็ยังไม่หายเจ็บหายป่ว ย, ยทุกข์ละ แต่ถ้าไตราักเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะมาพิจารณามาแล้วลึกถึงนะเออมันป่วยมันก็เป็นธรรมดาของหายมันก็เป็นธรรมดามันไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับเราได้นานร่างกายนี่นก็เป็นก้อนทุกข์เจออ็บป่วยก็ทำใจได้นะอันนี้มันเรียกว่าถ้าเราเจออะไรขึ้นมาที่ไม่ถูกใจที่ไม่สมหวังนะโยนเข้าตะ ก, ก้านี่เลยนะ สามตา ก, ก้านี่แหละไม่ใช่พระไตบิดกนะแต่สามตา ก, ก้านี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาป่วยก็เออมันเป็นอนิจจานะของหายก็อนิจจานะแก่ชราก็เออทุกขังนะหรือไม่ก็โยนให้แปลว่าเ ป, เป็นเรื่องของอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้ ร่างกายนี้นะมันปวดหัวตัวร้อนเราจะสั่งให้มันหยุดหายเราก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันหยุดแก่ก็สั่งไม่ได้นะข้าวของสิ่งของก็เหมือนกันนะมันเสียสั่งให้มันกลับมาฟื้นคืนขึ้นมาก็ไม่ได้นะมีแต่ต้องลงมือทานะของบางอย่างนาฬิกาตายเนี่ยนะเออมันเป็นอนิจจ์นะ แต่ว่าทำให้มันฟื้นได้นะนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาตายทำให้นาฬิก า, าเดินใหม่ได้นี่เพราะว่ามันอยู่ที่ลานนะลานมันถ้าไขาลานมันจนมันหย่อนมากๆเนี่ยมันก็ตายนะแต่นาฬิกาตายนี่เราทำให้มันเดินใหม่ได้อันนี้เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ฟื้นขึ้นใหม่ได้แต่คนตายเนี่ยมันไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้กลับมา มีชีวิตใหม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอนัตตานะก็คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ความหวังความตั้งใจความปรารถนาของเราอินท้าเราเข้าใจเรื่องไตรักษ์เนี่ยนะเจออะไรก็ไม่ทุกนะถึงแม้ว่าจะ เ, าเจ็บจะป่วยนะถึงแม้ว่าจะชะลาก็ตาม ส่วนอายุวันณนะสุขาพะละนี่มันเป็นแค่ความหวังนะพระให้พรเท่าไหรเท่าไหร่นะมันก็ไม่แปลว่าเราจะมีอายุวันณนะสุขาพะละได้หรือถึงจะเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้เวลานะกว่าจะเห็นกว่าจะรู้กว่าจะประสบผลก็อาจจะ อ, อีกหลายปีนะเอาของที่มันชัดชัดเห็นผลทันทีดีกว่านะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะนะ แล่ถ้าเรารารู้ถึงนมันทำให้เราหมั่นทำความดีนะมันทำให้เราหมั่นทาความดีไม่ประมาทนะหมันดูแลรักษาสุขภาพเพราะรู้ว่าร่างกายนี้ถ้าปล่อยมันไปไม่ดูแลมันก็เสื่อมมันก็ชรลามก็โทรมเร็วเราก็ต้องดูแลมันอนัตตาเนี่ยมันแปลว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตาปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุไปที่เหตุปัจจัยที่ดีมันก็ดีขึ้นมาได้นะ แต่ว่ามันไม่ใช่มันจะดีไปได้ตลอดเหมือนเครื่องบินะนะเครื่องบินเนี่ยมันทำด้วยเหล็กแต่ว่าเราก็สามารถจะบังคับให้มันขึ้นฟ้าได้เหล็กลอยอยู่บนฟ้าอยู่บนอากาศนี่ก็ทำได้นะเพราะเหตุปัจจัยแต่ว่าไม่มีเครื่องบินลาไหนที่มันจะอยู่บนฟ้าได้ตลอดนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องตกลงมาอยู่ที่ว่าจะตกแบบนิ่มจะตกลงมาแบบนิ่มๆ น, นะ หรือว่าจะตกมาแบบกระแทกพื้นนะอันนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันหมดน้ามันหมดนะมันก็ลงนะคนเราเนี่ยเราจะทำให้ชื่อตเรามันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหยุดนะเพราะว่ามันเป็นอนัตตานะมันก็ต้องเสื่อมนะเจริญไม่มีคำว่าเจริญไปเรื่อยๆนะในที่สุดก็ต้องเสื่อมลงเพราะเหตุปัจจัยมันหมด ร่างกายพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังใช้เยอะสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องชาราอันนี้มันเป็นหลัก อ, อนัตตานะซึ่งก็แสดงออกมาเป็นอาการทุกขังนะแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือไม่จีหลังยั่งยืนให้นะเข้าใจหลักตายลักนี้ดีๆนะมันจะเป็นเป็นคาถาก็ได้นะเป็นคาถาที่ช่วยทำให้ไม่ทุกข์นะ ไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ว่าเจ็บป่วยแต่ใจไม่ทุกข์นะเพราะเราคิดว่าราลึกอยู่เสมอเป็นอนิจจังนะอย่าไปคิดแต่เรื่องของอายุวันนัสุขาภพระราะนะคิดอย่างเดียวนึกถึงแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกข์ได้เพราะว่าพอร่างกายแก่ชราลงไปนะไอ้ความอยากจะให้มีวันนัสุขา ร, ะ, ราะดีๆมันก็ได้แต่ความหวังแต่มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ตามหลักไตรลักษณนะ์เราก็สบายใจ อ่แล้วก็เท่านี้นะเตรียมรับพร